ธรรมชาติคือตนเลนะวะจ๊ะเรารู้จักธรรมชาติการเคลื่อนไหวไปมานี้อันนี้ยังทูกกว่าจ๊ะ ม, มันก็ไม่สงบแบบนั้นอะันแบบผมว่านี่ก็บอกไม่แบบสงบได้ครับแบบการเห็นแจ้งแบบการรู้จริงซือตื่นนี่เด้อันสงบนั่นโบแมนโนนีนอันนี้มันก็ไม่สงบมันเป็นการเคลื่อนไหวการเห็นแจ้งการรู้จริงอันเนี้ย สงบอันนั้นมันไม่้สงบอันนี้แค่กต่ถูกสงบคือกันสงบอันนี้มันสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากกีเลสสงบจากตัณหาสงบจากอุปทานสงบจากความลวงผิดสงบหมดทุกอย่างครับอันนี้มันเป็นอย่างนันผมก็เลยรู้จากโอ้จําพวกที่ไปทํากรรมฐานพอผมเมารู้ฟัง แล้วนังสือก็มีอีกตึ้งนหนึ่งครับว่าอางพวกรูกสารอารมุษสารนี่ครับผมก็เลยรู้จากอันนี้โอ้ลูกสารที่อารมุษสารที่ไปเกิดในลูปผมอารมุษผมนะมันเรื่องล ง, ง้างอันนี้นะ ค, ะคนบ้าอันนี้บมรู้จักเพราะนี่ผมเอาไว้ผมเองพอดีผมรูจ้จักอันนั้นผมก็เลยมีความปรากฏเกิดขึ้นเรื่องกิเลสกามาตภาวสาวะวิสาสาวะ <Hey. S 2> กามนี้จะพวกไปนั่งกรรมฐานหลับหูหลับตาอยู่นั่นแหละกามครับติดกามการแปลว่าสงบอั น, นั้นการ ม, มาสะวายังมีกามอยู่ครับพวกนั้นพระวาสาวะยังหวังพบหวังพาตายแล้วก็ซาดหน้าซาเพร่จาจ้าใดหัวกบูหูวจักเริ่มตำลานะครับอาวิสาสะวาย์คือบูเห็นแก้มบูรูจ้จรงว่าสิ่งเจ้าของเฮ็ดผิดเป็ซื่อๆนี่เลยครับนี่อาวิสามันไปอย่างไนครับผมเลยรู้จักอันนี้ เมื่อรู้จักอันนี้ผมก็เลยมาบวกลบบุญหาในตัวเองว่าเออแบบ น, นี้ถ้าหากเราทําบุญนั้นได้บุญหรอือว่าได้หูบุญอะไรมันก็เป็นบุญอันนี้บุญอันนั้นกับบุญอันนี้มันผลละบุญกันอะงเงี้ยแบนี้ทําบุญด้วยกายเอากายนี่ไปทําบุญซื้อคือเอาตักบ้า น, นไปส่งเจ้างหานไปเพนเนี่ยเปากเขาบเวาเวใจขาบคิเ๊เสียตีเสซื้ออะไรอย่างเงี้ย มีประโยชน์อะไรกันมีประโยชน์อย่างหนึง่งมันหักบ้ไรสมบูรณ์มันบัดนี้มีแต่เว้าซื้อเฮกบุญท่านั้นเฮ็กบุญท่านี้รักษาะจิตอย่างนั้นรักษาเจิตแก่การการะทำบม่มีมีประโยชน์อย่างใดกันกันรู้จักอย่างนี้ขึ้นมามีประโยชน์ไห น, นหก็นรู้จักขึ้นมาบนนัดนี้ใจคิดซื้อซื้อบันนิษัทหก oh ักบ oh ้เฮ็โบ้ทำมีประโยชน์อย่างใดก็นรู้จักไปบัดนี้บ้ปากบ้หว่อเฮกโลด วันนี้บัวเห็ดใจคิดมันตรงกันครับมันมีหกอย่างครับที่ผมว่านี่หนึ่งเอามือทำสองเอาปากเวา้าที่เอาใจเห็ดหนึ่เอาปากหนึ่งเอามือทำสองเอาปากเว้าสามเอาใจคิดมันนี้ทางดีนะหละน่ะทางซัวคือกัรหนึ่งเอาเอ า, เอารูปนี้ทำสองเอาปากนีเว่าตัวใจเอาคิดตัวสามอย่างนี้มีน้ําหนักผิดกันอย่างไรรู้จักกันาดีครับ รู้จักจริงๆรับรองร้อยเปอร์เซนคำว่าพันกว่าได้ได้ครับเรื่นี้ครับรู้จักจริงจริงเรื่องนี้ครับพอรู้จักเรื่องนี้เอาไปนี้มือกระฮ็ดดีไปดีนิดเดียวโอ้โหนี่ลับตีใจกระสีดีคือจะเอาเฮ็ดนี้คิ้มือขึ้นมาเสียเฮ็ดดีไอเดียวครับโบเปตีผู้ใดนีครับนียกมือสิผมก็เลยรู้จักทางจังหวะนี่เป็นการเฮ็ดดีดีโอเฮ็ดดีอยู่ มากเรื่องเนี้ยป้าเรา ไ, ไร่ได้ไปว่านังผู้ใดได้มีสิทธิ์นะครับต่อกรยูนี้ครับมันไม่นอันนี้มันเม่สมบูรณ์แบบเน้ยเฮ็ดอันนี้นผมเงินผู้จักเรื่องการสมบูรณ์แบบครับอันนี้ผู้จักว่าการเจริญสติเป็นการสมบูรณ์แบบมันมีจังซีโบมันพุโทโธธรรมโมโบมันอนหรหังโบมันคองยุบเหมือนโบมัน เ, นเามันไม่เฮ็ดเอาอันนี้ อันเหตุเอากับทรรเอานี่อาติโบหุ่นจักว่าเฮ็ุเห็ุนี่จากอาิบหุ่นจักบนทางกรุงเทพอาติโบหุ่นจักแต่ได้แ่ว่าเหตุเนี่ยบ่เห็นบ่เห็นบ่เหตุนี้บ้านผู้น้องว่าเฮ็ุคือเฮ็ุให้เห็ดหนานี่ทรรมกับธา ร, รมเอากันนั้นเห็ุเอาทับเอาอันเดียวกันครับเหตุรรอันนี้มันก็เกิดขึ้นมาครับเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจมันสามารถออกจากธรรมได ออกจากกลมลูได้ออกจากตำหนักตาลาได้ออกจากมัดทุกอันคาอันนี้แหละธรรมะหรือว่าเป็นกฎธรรมศาสตรก็ได้หรือว่าสันตสยานก็นได้แต่มันมีในคนมัดทุกคนบรยกเวรนที่เป็นผ้าเป็นเมนยก็มีเป็นผู้หญิงผู้ชายมีมัดเพราะในขณะนั้นผมเป็นโยมผมปฏิบัติผมกลมลูคือกันถ้าหากว่าธรรมะแบบนี้ รู้ตั้งแต่เจ้าหัวไอ้คัวผมจิรู้ให้ยัํครับผมเป็นโยมครับแล้วทําไมผมรู้บันไดเป็นอย่างมันรู้พอผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจซือ่อดีได้ครับแล้วพระเมนไปปฏิบัตินําผมข่าวนั้นยี่สิบสามคนจ้อยวับครับูบรุมาแบบนี้ทั้งมัดครับเมื่อโยมซี่คนนั้นกันจ้อยวับบูรุมาแบบนี้ทั้งมดเมื่อเป็นเส้นนี้แหละผมจึงกล้ายืนยันรับรองคําสอนอันที่ผมม า, มาวาวนี่วัด โอ้ oh, ความพุกนี่มันโบได้มีแฉโบได้มีโทสะบบได้มีโมหะโบได้มีโลภะโบได้มีมีิจฉงมันอยู่ซื่ออันโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นเพราะเราบวเคยเบิ้งจิตเบิ้งใจบวเคยเบิ้งชีวิตตัวเองนีซื่อๆนะครับอันนี้เนี่ยอันผมเข้าใจว่าโอ้ทำที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีมากรพระพุทธเจ้าฮะวันจันทร์ยังวัน แล้วเป็นอย่างบงบซอกบางที่ตรงนี้เป็นอย่างอย่งแรงเข้าไปแบบกดในื่อยท่ำบนผมเขาทำบุกครับแต่ไม่เป็นเนีนครับกูบาพาเขาทำพันเดินกู้ดงก็ต้องแบบกดเข้าไปในท่ำไปตัดกดเหนยท่ำบนตปหาบนตายไปสันนบาตให่นั่นนี่มันที่มีประโยชน์มีอย่งอันนั้นนะมันที่มีประโยชน์มีอยังไปที่หูมีอย่งแบบกดไปตั้งอย่า ง, กกกงาอางันนั้นครับกูบาพาผมมาผมเป็นเนีนน้อยครับ ยางใต้อำเภอเสียงคานซอดอำเภอท่าบ่อซอดจังหวัดหนองคายยางตั้งแต่จังหวัดหนองคายซอดอำเภอเสียงคานอึธธมอเกือบตายผมเป็นน้อยครับ mm. เดินพวกดวงวันห้าบาทมีของมาลุ้มตุ้มตั้งกบินเนสองคนพระสององค์ข้าไปโอ้ยโอยจะไม่ผมทุกผมบู๊ทุกอย่าง ค, คารับซ้านี่นะะํอยาน้ไผมอมขี้หินไอ้ซึมซ้ากูบาไมได้ออนี่เนะฉันต้องอมขี้ินนี่มันยังโมเก็บแคลงเก็บขาววะันขัดจะออกขี้หินะท้องใว้นา เป็นโนนตบ ก, กเต๊กเต็กกันขาเจ้ามันสักจิตอมไปเด็กน้อยมันบู้จับนี่แหละถ้าหักอุบางโหแล้วมันต้องโหทางนั้นเหมเดียวคน ง, งัอมาสอนคุง ง, ง้จิสลัดบ่โอ้ยสอนร้อยกับพันกันกระบอกสลัดจับเกี่ยวกวกักโ ง, ง่มาสอนเรายัางผมเว้านี้ท่านเรียนมาแล้วนักทำตีนักทำโถนักทำเอกบางคนได้เป็นมหามหาปเรเลียนก็มีแล้วก็เรียนมาแล้วครับ ปหนึ่งปสองปสามปห้าปเจ็นี่อย่างพูกเระครับผมก็บบุจ้จักเรียนมาแล้วเจนนั้นบะกหกืึกปปิยาตรปริยสุเรียนมาแล้วนแวนวเฮ็ดใดที่บอกเข้าใจผมจังเสียบคันบอเข้าใจกับว่ามันก็เป็นที่สมหวังมาเนี่ยว่าซื่อๆนี่ภาษาคนไทยว่ากัน บ, บุ้งจักมันก็บปได้เรื่องเลยผมก็เป็นคนไทยนะครับคนกรุงเทพมาที่นี้ ฟังภาษาภาคอีสานบาๆได้เรื่องบานครับคุณเป็นซีละเวนะครับคงจะรู้จักกันนี่ยขวบหนึ่งสองขวบเนี่ยฟังหลายเพื่อนบ้างก็ต้องรู้จักที่เหมันต้องเข้าใจดีครับอันสมมุตินั้นสำแหนยงบบคือกันครับเมือนกับเขานี่แหละครับข้าเจ้ากินข้าวสุกคือกันบม่ได้กินข้าวเปลือกข้าวเหนียวกับกินข้าวสุกคือกันบม่ได้กินข้าวเปลือกหรือว่าข้าวเจ้ากินข้าวเปลือกเป็นบ่อบ่อติ๋ง ข้าวเนียวิง เ, เขาเปลือกเป็นบอกกิ น, เ ป, นเป็นต้องกิน ข, ข้าวสุกทั้งนั้นครับไม่เป็นอะไรท่านนี้แหละคำว่าโมคะโมคานคันโมค่ากับข้าเจ้าอันเนี้ยอันนั้นโมค่ากับข้าเหนียวอันนี้ อ, อันนี้ครับมันเป็นครรําสอนของบุคคลที่รู้อย่างนี้ครับจริงเอาเรื่องนี้มาเว้าวถ้าคนบูรู้เรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้ม า, มาว่าวได้ครับเพพ่พบกว่านี่รับรองได้ครับห่มไปปฏิบัติ ผมยืมสามเดือนแต่ผมปฏิบัติโบนานผมรู้ครับรับรองได้จังหวะผมอ่านมันคือเป็นผมรู้นักข่าวสันเอกครับทำกบิจาร์แต่ผมรู้แล้วผมยังไปไปอ่านครับเมื่อถึงที่สุดแล้วว่าจารยงานยอมอวิญญาณผมดึงเส้นผมผมออกผมยาวเลยครับดึงออกมาช้อนออกมาที่ผมเห็นหักผมม่นมีสามหักอันขาวขาวอยู่นะครับาขาวขาวมันเป็นเม็ดติดอยู่นะฮะผม แล้วกันมันมีดำอยู่เครื่องกลางโอ้คนมันมีอย่างซีเด้ถ้ามันก็บ่มีอันนี้มันก็บ่มีอันนี้เด้นผมก็เข้าใจเองท่านครับผมก็เลยโอ้เรื่องนี้ผมก็เลยมาสมมุติว่าบ้านี้เอาเสื้อมี้นสองซนมาผูกใส้เสานี่้นหนึ่งผูกใส่เสานั้นตัดตรงกลางปุ๊บแล้วที่ผมเห็ุเหตุผู้เดียวครับมันเห็ุมันอยู่ผู้เดียวแต่ต้องเหตุผู้เดียวเรามัสมมตินี่คือตัดปุ๊บแล้วที่มันขาดตรงกลางเลยมันลึกลึทลงกันว่าสโมสง ถึงกับไปเซ็ตอยู่กก็นึกซื้อเอาไปใช้งานบายยูได้เลยแก้ส้นนี้เอาไปบนันไดเป็นตัวทรงคางกลับมาดึงใส่เสานีบ่บูถึงได้บูนี้โอ้อันเพิ่งว่าขันห้าอ้ยแตน้าติดจองถภาย น, าอนอกภายในมันเล่าซื้อซื้อตายเห็นยังรู้จักว่าสวยว่างามเหมือนเว้าเอาอันนั้นครับอือฟังเสียงยังรู้จักว่ามวนว่าโบวมวลเสียงผู้หญิงมันเล่าเอาซื้อซื้อได้อันนั้นครับความจริงมันมีอยู่แล้วครับเรืองครับ ทำอันที่ทำให้พระเจ้าเป็นพระเจ้ามันมีอยู่แล้วมันเป็นเองความเป็นเองในคนอดตายตัวของธรรมศาสตร์มันมีอยู่ในคนทุกคนบ๊ยกเว้นผู้หญิงบ๊ยกเว็นผู้ชายบอยกเว้นฝลั่งอังกฤษข้าคอมคนถือศาสนาได้กระามตามผมกล้าอยูนอย่างรับรองว่าต้องรู้ทุกคนบ๊ยกเว้นทั้งหมดคนทุกการู้คนรวยกรู้ บันนี้คนทุนกขันวุปปฏิบัติกรบุรู้คนรวยวุปฏิบัติกรบุลูเรียนหนงังสือยมูทานี่เรียนปรยิยาตรีปรยิยาถูแล้วคันบุปฏิบัติกบบับปผมว่าชินยากลูอยู่นักทำตีโทเองในสผมขันมาวุาวปฏิบัติผมกับวัาครูอยู่มีบางที่อาจีลูผู้สร้างคิดบันนี้ผู้บริเรี ย, ยนได้บนาานันเนศสร้างคิดหม่นู้นลูคือกัรอบรสร้างคิดการทาสร้างบเนีนศต้องมีครูบาอาจารย์บอกลเลยเฮตโนดลูลูแท้เรื่องนี้ครับ เมื่อรู้อย่างนี้ก็เลยหมดทุกข์ครับสอนให้หมดทุกซื่อนี่นะคําสอนอันนี้นะครับจวีวะไม่คาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้จวีวะโบนเมนก็นได้ครับแต่ผมว่าเอื้นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าันทุกท่าจีงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมันตื่นอยู่สายจิตื่นอยู่ใาหัวคิดเขาเนี่ยทำอยู่สายมันทําอยู่ในใจเขาเนี่ยมันจัดออกมาบอกให้เห็นบอกเลย เอาเครื่องอิสเตเลมาสายให้เบิร์นบอเห็นหในแทวเขาเบิร์นี่ครับท่านคิดเบิร์นรู้อยู่นี่เนี่ยท่านมีผมโกดบ่เอาใครโกดยกมือขึ้นบบ ม, นมนบอร์นู้ครับไม่มีใครโกดเป็นเบอร์ น, นี่ครับเ น, น, นี่ยผมโกดมันที่มียังไงบดีแล้วะท่างเคยโกดเป็นเบอร์ขับบดีเนี่ยแล้วมันมาจากไสเห็ุเป็นเบอร์ขับเนี่ยอันนี้เราคนลืมโตนะครับเพราะว่ามันเน่ามันมีมันเปียกแตก อันนี้ก็คือว่าคนตายแล้วนะเพื่อนโมคะนะครับทําบุญนั้นให้หู่จักบุญเคืนว่าโมคะบุรุษโมคะเตยนพูดธรรมะเรื่องใดกระทำทางการสสโดยพูดเจาะลงมานี่อันนั้นเคืนว่าคําพูดนั้นใส่บอ่อใดเป็นโมคะคําสอนใดคือกันการเทศการสแสดงธรรมถ้าหากว่พยายามาะแซแสวงเจาะลงมาที่นี่คือว่าคำพูดนั้นเป็นโมคะ คำว่าโมฆะนี่บมเรีว่าไปทับฝุกฎหมายบ้านเมืองไปฆ่าไปตึงเขาบ้แมนครับโมฆะนี่หมายถึงบุคคลที่ฆ่าเจากการเจริญสติฆ่าเจ้าความรู้แจ้งฆ่าเจากการเจริญวิปัสสนานี่ย่หละครับมโคฆะครับท่านผู้ใดฆ่าจากการอันนี้แล้วผมผมเข้าใจผมผมอันเนี้เดี๋ผู้อื่นจะเข้าใจแค่ไหนกับุูหัวแจ๊กบนหันฆ่าเจากการรู้แจ้งนี่ยแหละเพื่อนโมฆะ คนใดรู้แจ้งได้บวชเป็นบวเป็นโมฆะเป็นกระทำตาเนีสมมติชื่ออนะอันว่ามโมฆะนี่ก็สมมติว่าชื่อ เ, เจหัศบริเจวะบริเจวเอวเนี่ยโมฆะบุรุษอะไนโพชิระไบรานเป่ากัมพีเป่าว่าคานได้ยินอันนี้เป็นว่าสูตฟังพ่อแม่เคยว่ากันคณะโมฆะนี่แปลว่าแต่เรื่องนี้ศาสนาเกิตายกับบุรุมันดูคูกทามเนี่ย เมื่อกับขุดน้ำนี่เนี่ยครับท่นขุดน้ำโบทุกสายแล้ขุดจนตายได้โบได้กินน้ําจะเกลือกูให้ขุดทุกสายได้ยกขุดไปหน่อยๆกับรูกับชึกรานี่ก็ได้กินนําแล้วครับใเป็นั้ น, นเราไปขุดได้ดื่แม่นม้ํา่านดอกบึงรุดน้อยบาก็ออกน้าแล้วขุดของว่าขุดดื่แม่นม้ำเมื่ท่านจะลองปฏิบัติกับผู้ที่รู้จริงๆเราบอแมาั้มองให้ฟังทุกเศร้าทุกเย็นทุกเศร้าทุกเย็น เว้มันก็เกิดปัญญาของมันก็ต่อเข้าไปต่อเข้าไปมันก็รู้เหนไอันนี้ขันไปปฏิบัติใช่ไอันนั้นก็อาจารย์นี่ปัจนานะอันนั้นก็อาจารย์นี่ปัจนานเท็สจนตายครับมันใ น, นแ บ, บกกดเข้าไปถ้ำในเหเนี่ยไปนั่งภาวนาพุทโธ อ, อ, อัลลังหังหองยุปานตะตามนะครับเฮ็ดมืดทิหมื ด, ม ด, มดยันนะก็โอ้ยกาดมีเนี่ยมันพบถิ่นให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยกลับขึ้นมาสร้างโบสถ์สร้างสิ่สร้างกุฏิวิหารสร้างศาลาการป่อเรียน ว่าว <link video> เอาเอันนั้นว่าแบบงัวงัวแบบคนงเวว่าอันนับแม่ขนสลัดเว้าอันนั้นครับคนสลัดรอนั่นต้องรู้ที่ครับผมรับรองครับอันเนี้ยคือสิ่งก็ได้โบถือสิ่งก็ได้ทำบุญก็ได้โบทำบุญก็ได้แต่ว่าให้เฮ็ดแทะได้แล้วครับบันม่้นที่มาเว้ายกมือว่าวแว้บๆข้าไปนอนอยู่กันบโบแม่อีกซึมละครับอันเนี้ยเดินจมก้มเหันเดินล้ะมือล้วะไปนอยอยู่กับโบแม่อีกซึมครับต้องพูดจริงทำจริงเป็นคนจริงได้ครับ อย่างนู้คำเดิมนี่เนี่ยผมรู้แล้วมีผมจึงสามารถยืนยันรับรองได้ว่าบ่หม ด, ดยุคบ่หมดสมัยรวมเป็นพระนั้นว่าได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมดขึ้นอยู่กับบุคคลที่รู้เท่านั้นที่คือผมเป็นโยมครับในขณะนั้นผมไปเมืองลาวเขาเป็นเจ้าคณะเมืองเขาเว้าเรื่องาาศาสนาเซนครับแล้วผมก็บอกเคยรู้จักว่ า, า, าศาสนาเซนะศาสนาญี่ปุ่น ศาสนาญี่ปุ่นนี้อายุสิบปีก็เป็นพระได้อสนาวาน่ะแล้วผมกับเอ๊กับบุ้งรู้จักเดอ้อบ้านเขาอายุยี่สิบปียังเป็นพระได้เด็กขับวะเราก็ว่าคือกันอันนั้นมันว่าแม่ศาสนาพุทธอสนาวาน่ะความจริงท่าจะาคณะเมืององค์นี้ง้อที่สุดครับง้อที่สุดเมื่อบวชจนเป็ น, จนเจ้าคณะเมืองแล้วยังบุรู้จักเรื่องพุทธศาสนาเน้นบวชจริงเข้าสุขซื่อสื่อเสียเขาญาติโยมซื้อสืสครับจริงจริงครับเรื่องนี้ครับ โมส่สงกวนครับนล้จะาความบวมาตั้งยี่สิบปีสามสิบปีเจนเจนเจ้าคณะเมืองแล้วนะครับให้แต่รู้ศาันาญี่ปุ่นนะครับเราว่าให้ฟังผมรับรองได้เดียวนี้ครับอายุสิบปีก็ทําสร้าห้าปีกระรามผมได้สอนเด็กน้อยอายุเก้าปีครับสิบเอ็ดปีมีผมสอนมาแล้วครับพอดีจีจเปลี่ยนครัง้งเทนู้นนะผมถามเป็นคข้าตัว่เป็นได้ครับเลยเขาไหวเป็นได้พอย่างเช่นพ่อผมโบหลง สัมผัมาจิตใจบรรเป้เาว่าสัมผัสวายเด็กน้อยเคยมายุกับผมเจ้คณะเมืองอันวุ่นมาได้ตั้งสามจิตก็พรรษาเลยนะครับเนี่ยหากว่าโบนโบเป็นไดศาสนาของเฮียปุ่นะนะโบแม่ศาสนาพุทธว่าจะเน็คที่แท้ตัวเองบูฮุจักศาสนาพุทธซําครับคําว่าศาสนาพุทธที่มัอนแป้งเป็นหลายสายครับแต่ก่อนผมกับบูจ้จักมีหินาน ม, ม, านารรมีมหานานเขียนละวาดทรมยุษย์มหาเนกาย อย่นี้ผมดูหนังสือหลายเรื่องแล้วก็เออนี่ยศาสนาศาสนาเซนศาสนาองเต็กศาสนาเนี่ยโอ้ยมีตั้งแต่ขวามจริงแล้วมันเป็นลัทธิครับขวามจริงแล้วพยายามโตแต่แสวงหาทางดับทุกนี่ซื่อๆนี่นะศาสนาในกดก็ไดครับคํทาท่าหวัดดับทุกนี่ บ, บนได้ว่เป็นศาสนาเ็นว่าเป็นศาสนาพุทธว่เป็นมหาญานว่เป็นเทาราบาวว่าเป็นอย่างทั้งมัดเป็นโมฆะอยู่ซื่อๆเนี่ย นี anyway, ่แหละคนเอิ้นโมฆะโบลุโมฆะสติโมฆะหมายถึงไซบอได้เจริญนิปปัตนาจนตายกันอย่างไซบอได้วาสีสับวาซือเสือเนี่บวชมาจนตายกันอย่างบุหูจ๋าว่าการบวชนั้นคนเอื้นโมฆะทำบุญกองกระจินบางสกุลผ้าป้ายังบุหูจ๋าว่าบาปคืออย่างบุญคืออยนักเอ้นโมฆะโมฆะน่ะแปลว่าโบลจักบบลูกแจ้มบลุกจริง คนพูดตั้งใจโบเลนู้แจ้งโบเลรู้เสียงอย่างโบรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือโบรับรองคําสอนตัวเองอันนั้นคือว่าตกบนอำ น, นาจของโมคคะคนใดรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าคนใดรับรองคําสอนของตัวเองอยืนยันว่าสอนแล้วสามารถรู้ทุกคน อ, อันนั้นเป็นว่า อ, า อ, า อ, าอาึนห น, นักตาเป็นว่าบัณฑิตบัณฑิตหนักตาเนี่ยู่ในกรรมนี่แหละครับผู่ในคนผู้ที่รู้กับผู้ที่บูรูษเท่า น, นั้นครับ <c oughs> ที่ผมนํามาล้อให้ฟังนี่ครับนี่วิธีผมปฏิบัติที่ผมที่ไปใส่การทำตามผมที้วอลอย่างซีขันโบได้วอลอยางซีเด้นมีประโยชน์ปีนี้ผมก็เป็นโจรคนนึงครับมหาโจรที่อยู่ที่สุดในโลกกว่านั้นนี่คุณว่าอันมหาโจรที่ดีอดที่สุดในโลกนั่นเขาคิดว่าเป็นโจรไปรักเงินลักของคุณบอกกับแมนยูอันนั้นกันนะครับผมอ่านหนังสืครับดาบมกในชี้วอลวันนั้นอันบาบมกในชีวรลนั้นอยู่ที่ใดครับกระตบบาดเขานี่เนี่ยโ้อมบาดแต่เปิดบาดให้เนี่ออกสู้ ไปป่าอที่ซู่เศร้าซู่เยี่ยงนี่เด้อดาบหนกไนจีวอลพริกสุแกกคนแบกบแนวโมคะบุลุกอาจจะเป็ น, นวงังงานติกลาล่างท้าอาจจะเป็ น, นวงังอันนี้มีในหนังสือครับผมได้อ่านแล้วนะครับแล้เวเขาควได้เข้าใจเรื่องนั้นเข้ามาดาบหนกในจีบอลนะภายด้านยาวๆนัไปตัดคอคนโอ้ยมันก็ะโบมมนเองแล้วอันนั้นครับมันก็ผิดกฎหมายนี่ครับอันนี้ให้เข้าใจเรื่องนี้จริงๆครับแต่มันสมมติเว้าอันโมมันนี่ก็ไนะครับ แต่ว่าหากมันบวชอ่านคร บ, บกระบอกจักแล้วที่ผมรับรองวันดามกในทีวรเนี่ยแม่นโตเฮานี่แล้วพิษถูรามกสันดานนกตาหมาขี้เลื่อนงูเลื่อนขี้หวัวสันลูกนอกคอผู้อนอกบันเีป่าซาผีดิบน้าติกลาล่างเท้าไม่ใช่คนของเราเนี่ยเขาไม่ใช่คนของเราเนี่แปลว่าโมคะบุกนะครับวันนี้คนในพุตาศาสนาครับ เมื่อทุกขนาา์นำซ่างอันนี้บทได้ผมว่าพุณธพูนี้บทได้บทได้วด่วากันนี้ครับว่าตามพรมนู่อันนี้ว่าตามเรียนมาอันนี้ครับแต่พมมาปฏิบัติมันก็เป็นในทางจริงๆครับเรื่องนี้รับรอไม่จริงๆในหนังสือธรรมวิจาร์บอกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐามที่นั้นย่างนานเจ็ดปีขึ้นมาย่างกางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่มือนึงถึงเจ็ดมือหรือสิบห้ามือ มีอันนี้ทรงสอนประกาศนั้านนึ่งเป็นพระอะหรหันต์ในั้นทําให้ติดต่อขันโหรุโตสกัน ว, นวางทระให้ติดต่อขั น, นโหรุโตได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพรนี้อาจจะเปนว่าห้าห้าไม่ได้เป็นพระอะหรหันต์นั่นต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่ตายจากมนุษย์มีตายจากโลกมีแต่เกิอดอยู่ในลูกป่สันมีผมในาอันนั้นตัวหนังสือเว้าอันนี้นครับอันผมเว้าเนี่ผมบอกว่าท่านครับ ถ้าหากผู้ใดมีความคิดว่าเราจะทดลองดูว่านั้นผู้ที่เป็นรองคนนั้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงว่านั้นเรื่องเจริญสติปัฏฐานที่หัดจังหวะทําทให้ถูกต้องแล้วก็ฟังคําพูดของกูบาจารย์ปฏิบัติตามแนวคนที่ผมเวลานี้รับรองสามปีครับดูเป็นอย่างกระทําสร้างดูพรุนี้ผมจะย้ายมันไ่มีที่ซื้อได้แล้วครับ มันช่อพอปานคุยถึกง่ายกับควยถึกน้อยพอพอปานแมวกับหนูมันจะยานกันนะท่านเห็นแมวมาปัดมาที่หนูมันจะแล่นเขาหูรถขับมันจะยานแม่อวไปนะทาครับควยถึกง่ายนี่กระทาสร้างควยถึกน้อยกระามครับนี่ผมสมุตด้วยถึกน้อยนี่ป้อยออกไปเล่นมันจีพป้องแม่เสริมราได้ยามละทงไม่ครับมันป้องควยแม่ใวโบอยากให้ควยตัวอื่นเข้ามาพอดีกควยถึกง่ายแล่นออกไปที่มันแล่นหนีรถป่าผู้หญิงบนหัมือซีดขับมันเป็นอังนั้นครับ รับรองจริงจริงเจริญสามปีแล้วโอ้ยมึงไปทสิ大爷น้อผมหลงมึงให้กูโก้กินอ่ะนอจนจนมันที่นี่หายวัดไปโหลดครับนี่ย่างนานสามปีครับกันจริงจรครับย่างกลางให้เวลาปีนึงครับย่างเร็วที่สุดเก้าสิบมือสามเดือนครับอันนี้ผมกูได้รับรองกับผู้อื่นค่ับรับรบองตัวตัวผมเองแล้วคนมาปฏิบัติอย่างสัน้นแล้วก็ยูไก่ฝั่งอีกตึ้นให้รู้จักบนไหนพวกเข้าใจดันถาม ทำนั er ่นได้ปฏ you ouais. ิบัติตามนั้นหลับหลองได้ครับเป็นพระกะหู้คือกันเป็นโยมกะหู้คือกันเป็นผู้หญิงกะหู้คือกันเป็นผู้ตายกะหู้คือกันอันหู้คือการกฐามะคือการเสนอครับมันกับคนคือกันมันก็มีธาตุดีมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมคือกันมันก็มีขันห้ามันก็มีลูกมีน้ำมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารดีงามคือกันมันก็มีคือกานเสนอครับมันจะเป็นเลือกตั้งวนนั้ว่าคนถือชาตานั้น สรางนานี้มียังครับคนเห็นกานังขบทุกแล้วครับวันนี้นังขบหักนังขบถ่ า, กางกันก็บสบายแต่คนใ น, นซิสเตอร์นีนะครับนี่เท่านี้ปราะวานอันเนี้ยเรื่องหลักวิสาขารที่ผมรู้มานี่ครับนอกจากนี้แล้วเรื่องทำบุญเรื่องหลักศาสนาอันนั้นเป็นสังคมให้รู้จักสังคมตอนถึงที่สุดกองทุกนี่นะครับผมเป็นลิปบาลดอยู่ประมาณจากห้านาทีครับผมรู้อารมณ์มด ลืมลูกลืมน้ำลืมหมดครับผมระติดสุขโอ้ยเกิดมาในชีวิตนี้คุณก็เคยเป็นอะไรทากเกลอนะเบาโอ้ยให้บ่าโมีอันที่ว่าเปียบบบได้ขับเ บ, บ, บานะานเอาเงินร้อยล้านพันล้านมาซื้อกับเป็นหมอหนังเสียวพวกมีแล้วเฮ็ดจังแต่แกระโบมีแล้วคุณลอผ้าเงินรอผ้าทองคำสร้างโ บ, บสร้างเสร็จเขาบกเคยเป็นอย่างนี้เลไปติดอันนั้นครับง่างไปยงมาดูโอ้ย มันเป็นอาชีพเราจนมันเริ่มโตครับมันไปติดสุกติดสุกกับผิดครับกลับเข้ามากำมือโุ๊วววอันนี้พี่เดลในประเด็นมาเบิ่มขางคิดว่าตัวความคิดจร 200, ิงๆนั้นมันโบสัมมันทุกมันบสัมมันสุขมันยู้ซื้อซื้ออันมันสุกเมกี้เนี่ยอันนั่งกลเป็นกิเลสอีกตืมแล้วครับเนี่ยกิเลสบูฮุจากกิเลสผลคันบูฮ้จากกิเลสมันกิเลสกิเลสได้เนี่ย มันก็กบัได้แล้วคือผมยักซุกยานั่นแล้วครับอันยักยซูกยาตัวนีเอามาซูบซะมันก็บุยเห็นจากเทือแล้วผมฟุ ก, กิเลสนั่นพอดีบัดนี้ห่วยซูบวัได้แล้วซุกยาผมเอายากระป๋องมาวางครั้งผมเนีผมรู้จักเรื่องลูดเรื่องหนามนี่แล้วกัออยมีเก่งไฟเนี้ยซูบตรูโน้นน้ำตาลไหลออกมาแล้วจับ ก, ก็ไม่จับวัวได้แล้ววันนั้นนี้เอามาใส่ซากก็โดนมาใส่บัได้ครับวับอดุงาาเอามาบัได้จ๊กอันเรื่องกิเล็ดนี่มันไม่มีประโยชน์หรอกครับ ตู้สติปัญญาไม่ได้ครับสติปัญญาเนี่ยสามารถที่ควบคุ้มกิเลไสได้ทุกแหทุกมุมเที่เข้าไปในที่มืดครับเขาต้องการอย่าเรื่ความสว่างเขาเทศกันะไรจุดไฟบนบ่ครับจุดไฟขึ้นแล้วกลมมืดมันแล่นไปบ่มันหนีเพื่เดียวเองไมหนีกลมมืดด้วยสัญชาติบ้าเปลี่ยนแหนบตรนี้สมมติเขายึดสลาร์นี่ครับไฟฟ้าลองปิดซึ่งไฟป๊อมืดโดดเหมือ น, น วันนี้เาจับได้กลุ่สว่างอุศว่างแม่สว่างเมจางอืภาวนาร้อยตีพันปีไหวบอนให้เทวดาองค์ใดมาให้มันสว่างมันเร่มาสว่างคนสลากเข้ามาปุ๊บจับสวิตตัดไฟมันวิ่งเข้าไปหาหลอดสว่างโหลดอันความโกธรความโลกขัวมึงกันเส้นเดียวกันครับบาปก็คืออันเดียวกันบุญก็คืออันเดียวกันถ้าหากคนสลากตีลงมาเบื้องจิตเบื้องใจเฮานี้ นี่หู่จักรถถตามมือกันคับจับ ต, ตัวปุ๊บมันคิดมาก็เห็นปั๊บโหสว่างรถลพุกหยุดรถแมวมีกําลังเต็มที่แล้วมง อ, ออกมาเนี่ยมึงตายแล้วบดเดียวเว้ยนั่นเป็นงานสนครัญที่นํามาเราให้ฟังนี่ก็พอที่จะจับได้ครับถ้าหากสนใจจริงๆแล้วให้ปฏิบัติถ้าใครบ่สนใจแล้วก็เป็นธรรมดาพันว่าพันวาให้ฟังอีกตื่นบทหนึ่งเข า, าบวสี่เร่าพันวา เรามีคนนําแล้วอะไรนั้นหอยเจ็แสงตะเวนด อ, อกหมาดอกไม้กระบาลโลดลันเร่าที่สองคนน้ําขึ้นมาพอสมควรนี่ยังปูโปเต็มเชื่อแบกออกมาสองมือสามมือกระบาลเร่าที่สามนั่นอย่างยืดนำน้ำพอทีเปียนน้ำอยู่ปกแเปะปปอกแเป็อยู่แบกออกมาหลายมือแล้วก็น้ําลดหลงตกบวกกับคนขึ้นกับบานได้เร่าที่สี่นั่นยังจมอยู่ในตสมพุน่าแค่นมานี่ย ย่างเตรีอาหารของปูของปลาของสัตว์ของเตาอยู่อันที่ผมเบ้านี่กัคลายๆคือกันครับคนที่มีปัญญาฟังแล้วโอ้บัตรเดบหงพ่อนี่ว่าให้บุญกุศลิดนีด้เดเนคนเขจาจะบุญกุศลชิดแล้วบางคนยังบุญธรู้จัวใว่าบุญกุิดจะมาแไดงให้ตัวมันเข้าใจกันนะหวันนี้ดอกบัวนะ่ะแต่งตะลิบเอามาแล้วบาตรเฮ้ยมันเข้าจเลยนันนั้นกัคลายคลายคือแบบอย่งตรงที่ในตรงคุณแล้วครับอุหันอยังเรมีโอกาสแต่เราทำมีเวลาเถอครับ แก้ว่าฟังห ล, หลายครั้งหลา ย, ลายผลอาจจะเป็นก็นได้ครับเพราะว่ามันยังลึกครับมันยังโบเคยคิดที่ที่โบเคยได้ยินมาผ่านหูเหานั้นให้เหาเข้าใจคำว่าแต่จะรู้รู้นี่ให้เข้าใจแต่จะรู้รู้เนี่ยครับคําว่าขุมรู้เกิดขึ้นมาปุ๊บอยากเข้าไปในขุมรู้ออกจากขมรู้อันนั้นมาเป็นวิชาคันเข้าไปในขมรู้อันนั้น เป็นอวิชชาซึ่งเขามาเว้ากันเรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทเรื่องเป็นปัจยาการอันนั้นเป็นสมมติวา่าวคือ่อแต่ความจริงโบต้องว่าวหลายว่าอาวิชชาอาวิชชาคือเขาโบลูตัวเฮานี่โบลูการเคลื่อนการใบการตายกันมานี่นึง่งอวิชชาแบบนึงคือโบลูความคิดอันนึงนี่ไม่เป็นอะไรกันเมื่อลูความคิดลูสึกตัวตื้นตัวยืดเสมอในผลเอิญผลมีสติ แต่ว่าคนมีปัญญาตื้นตัวอยู่เสมอมเป็นคคู่บลงวุงกันอันนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังนี่ครับเพราะว่ามืออึนกับสมควรแล้วครับเพราะว่ามืออื่นนี่กับเป็นมือที่โอ้ยบนนี้มืออื่นนี่ครับมือแรงนี่แหละที่ได้เดินทางแงกงงายจ้า ก, กันไปผู้ที่อยู่นี่กับขอให้พยายามฝึกฝนอบรวมพูดกันให้รู้จักมีอารมณ์อย่างที่ผมว่ามานี้ถ้าหากว่าคันบลูอารมณ์อนนี้ต้องปฏิบัติให้รู้ เมื่อบรรลุอันนี้แล้วคนที่เป็นวิปัสสนาที่เป็นวิปัาที่เป็นสิจิยามเขาจะแก้เขาบอดาเมื่อแก้บอดายทำให้เขา เ, เขาาสียคํ า, าให้เขาพาดไปแล้วเขาิบายให้เหาเมื่อการสอนคนนั้นเจ้าของต้องรู้ต้องรู้ทุกแง่ทุกนุม รู you, ้มันจิตใจมันติดยังไงบนแม่สื่อว่าคือยังข้าเจ้ารอเมื่อเศร้าเมื่อแรงผมได้ยินหลายคนว่าตายได้จำตายได้โอ้ยงอจ้าไดนหุเด็ผมมาจาตายได้เราะว่าจตาได้เกิมาโยวกับพุ้ต้องไปเหียนหมไม่ได้ต้องสือเพราะว่าจำตาได้แต่จำแล้วมันเหี่ยนมาแล้วได้จำแล้วอีกแล้วพอใกล้อใคร่คิไปเหียนหมวมันยังกบิกรู้เสนอก็จำตายได้หนึ่งบนหัอันผูดสอบได้นาคทาตีําตัวใครจะไปเหียนมันยังนักําตีําตัว รู้สอบผู้จําตัรได้กับปริญญาตรีปริญญาโที่ไปเรียนมันซ้ากนี้คือไงฮะเกิดมากัไปว่าอรู้สึปริญญาตรีป autonomy, ริญญาโทแสดงมันก็เป็นจัดการได้แต่เนี่ börjar, View, คนต้อบ้าว้าอันนั้นว่าไม่คนดีว้าครับเราซื้อนี่แหละเนี่ะครับเราโดยอานครับคนดีวามันต้องกล้าครับคนอวดดีมันบวกรับอันที้ว่ามันอวดดีแลคนมีดีเอามาเาสู้สังซื้อนี่ได้ครับอยู่นี่นียครับเนี่อันนี้กับควมล้วเนี่ยจบไปเฉยแคนี้ครับเมื่อรับ เมเนกำลังการที่จะนำมาเลาสูบงังไม่บอกไลวลวาจะเรียนมาพูดกันเป็นผลงานการทและการปฏิบัติธรรมโดยสฉพาะโดยส่วนมากผมก็เป็นสาวพุิดมาแล้วพ่อแม่ก็มีศาสนาพุท ผมบูรุษจากคำพุทธศาะนะนั่นคืออย่างนี้ผมบูรู้ได้เห็นนั้นเราได้มีิครัวอาจานหลายทานวาัวนจวศาทัศนะมีตัว้วมีกะทิมีแป่งและมีแกนใจใกลางของมันในจันทรวันนี้เป็นคำพูดของผู้อื่นนี่มันนี้เพิ่ว่า งานให้ฐานการนักสาสิลทำสมถะกรรมฐ า, า, า, านมัน น, นั้นต้องกวาเป็นพุทธศาสนาด้วกันผมก็เพียนเข้าใจกับมูลกลื่นๆเรื่องนี้เม่นมูของผมผมรู้จำมารู้จักกับคนอื่นร้อให้ฟังเรื่องนี้ก็มาผมได้มาเจริญสติแบบง่ายๆ เห็ว่าง่ายขนาดจะผมบน อ, นอื่นอาจจะวัญญา ก, ก็ได้เพราะว่าในระยะเมื่อไปปฏิบัติธรรมะนั้นมีพระจำนวนยี่สิบสามลูกและกมีโยมห้าคนามรู้นะบุคคือกันผมมันเป็นคนที่แบบหนึ่งรู้แวกแนวโม่ไปตอนรู้แวกแนวเนี้ผม ทิ้งคำลูกลูกผมทั้งแจกฟังค้อนคุณผมทิ้งนดผมตั้งใจแ็่หลอกบนตื่นย่างที่ผมรู้มานั้นผมว่าผมรู้ตามความจริงที่แรกผมรู้เรื่องลูกเรื่องหนามนีน่แหละพอนีอ่กิรู้ว่นั้นแมงตองหรือแมงนอดเนี่ยตกใปหาผมผมเลยเกิดมีความคิด ที่จะะเจริญนามแมต้องแมงงอดนี่ก็เป็นลูกเป็นนามมันก็มีกายมีใจเท่ากับเราข้าของเราเนี่ยนั่งอยู่เรืนี้เนี่ยมันก็มีกายมีใจเท่ากับเราผมก็เลยรู้จากลูกอันนี้อันลูกกระดาษนั้นโบแมนอันนั้นเป็นลูกทาบไม่เป็นลูกขนมันเป็นลูกภาพผมเข้าใจอย่างนั้น รูกจริงคือข่าเหล่านี้คือตนโตเรานี้อันนี้เป็นลูกเป็นนามนามกับลูกที่ม live eh ันต uh ิดกันอยู่นี่อันนี้เป็นลูกนามผมเข้าใจนะเมื่อหูจากลูกนามแล้วก็หูจากลูกทำนามทำอันลูกทำนามทำกับในลูกเหล่านี้แหละอีกตื้นทําดีทําตัวทําดีกับในลูกอันนี้ทำทําตัวกับในลูกอันนี้ทำผมก็เลยรู้จักโอ้ลูกทำนามทำนี่มันก็นในคนนี่อีกตื่น ลูกโลกน้ำโลกว่าไงบ้าเนี้โลกเจ็บหัวปวดทองก็ไม่คนนี้เป็นอีกตื้นสักก็เป็นมันเป็นโลกขึ้ือนกันเมื่อลูกนี้เป็นแล้วใจกสบายอันนี้มันเป็นเรื่องลูกโลกน้ำโลกสนิดหนึ่งโลกอีกตื้นสนิดหนึ่งร่างกายสบายครับไ่เจ็บหัวปวดทองคิดหักคนนั้นคิดสั่งคณนี้พอใจอย่างนั้น เรพอใจอย่างนี้อันนี้บราเป็นรูเป็นโลกอันนี้ครับจิตวิญญาณเป็นโลกนี่เข้าใจมายังสิเมื่อเข้าใจมายังสิก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้อย่างอนัตตาทุกขังอันนี้อย่างอนัตตาย่างพันว่าทุกคนไม่ไหวอันนี้อนนั้นกัดผูกและพันว่าทุกนานานะทุกขะเวทนานั่งมานานนะทุกขะเวทนาทุกโซโขกาทุกให้ลำไที่ คิดถึงที่ถึงน้องเป็นทุกข์อันนันโบแมงโบจัดเข้าในรูปทุกข์ังโบจัดเข้าในรูปอนิจจังโบได้จักเขารูปอนัตตาผมจักผู้เดียวผมอันเนี้ยผมโบได้จัดกับตำราตัวทุกขังตัวอนิจจังตัวอนัตตานะั่นคือตัวหอนั่งอยู่ซื่อเนี่นะครับนั่งอยู่สื่อในที่ผมอยู่บุได้ครับข้อมืกทิศมือขึ้นคข้อมือลงยกมือไปเอามือมาผมรู้จักอันนี้มันเป็นทุกข์ ทุกไปว่าคนไม่ไหวเลยผมบบกเคยรู้จักอันนี้เป็นทุกแต่ก่อนตันนี้ปผมมาพิจารณาลองเบิร์พิตานีาก็เป็นทุกอีกตื้นแต่ทุกไปวัดทนไม่ไหวมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาเราทำอะทีอย่โบกอันนี้ได้ว่าเราจมอยู่ในทุกเราอยู่ในทุกเราเข้าไปอยู่ในความทุกเราก็เลยโบออกอยากขมทุกได้ก็เลยโบออกเห็นความทุกผมเลยเตี้ยเอาไว้ว่าผมนี่อยู่ในมุ่ง ตามุ่งและผมหนอนอยู่ในมุง่งหลบหนุงหลบเฮี้นฮีนี่คือคำเล่นนะจ๊นะล่นยุงเป็นภาษาอักฤษแล้วผมหลบเข้าไปอยู่ในนั้นหฮ้ยนยุงหรือว่ไปกัดผ ม, ผมก็เลยรู้จักเิน้ยนรู้จักหนุงวันนี้ผมออกจากมุ่งมาอยู่ข้างนอกบันนี้เฮี้นมังกัดยุงมังกัดอันนั้นเล่นยุงก็พอที่จะเข้าใจแล้วก็มันมากัดเราที่มันมากัดเราก็เรารู้จักควทุกข์ทุกนี่ก็หมายถึงว่าทนไม่ไหว อันนั้นมันโบแมสตัวเลี้ยงตัวยุง ม, มากัดเราไล่มันหนีได้โบจัดเข้าไปในทุกขังอนิจจังนักตานจัดที่ในรูปทุกเขเวทนาทุกโซโฟกาทุกใหลำไภผมจักเพื่อเดียวผมเนี่ยตัวทุกขังตัวอนิจจังตัวอนักตานันคือตัวทิพตานี่เป็นตัวทุกตัวทิพตาเลือดใต้แหนบขวาทิพขึ้นทิพลงนี่เป็นตัวทุกขั เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวอนาาัตตาผมเข้าใจนั้นบัด น, นี้ผัมาหายใจเข้าหายใจออกหมดบมแท้ก่อนนั่นผมทำพุทโธผมรู้จักว่าหายใจเป็นุกครับผมทำมานานพุทโธของยุกนี้ผมทำมานานผมรู้จักว่าอันนี้เป็นภกบัด น, นี้ผมมาหายใจดมันเป็นุกมันจัดเยรยู่ปลูกขพังลูกอนิจจังลูกอนาาัตตาทั้งนั้น มันเป็นรูปอันนี้บันนี้สิ่งนี้คนอื่นมองเห็นเช่นมากรรมมือทิกมือนี่คนอื่นมองเห็นย่ายากที่สุดมันเป็นเปลือกเป็นกัพรี่ผมก็แจกจานว า, าศาสนามีมีเปลือกมีกัพรี่มีแกล้มมีแกนบันนี้ผมมาทิพตาดึงทิพตากับกรรมมือเนี่ยทิพตาละเอียดเข้าไปแล้วบันนี้มันเป็นตันเป็นตันเป็นเตู้เข้าไป บันนี้ผมมาหายใจเดิมมันเนี่ยหายใจมันคือละเอียดก็พิษตาเข้าไปแล้วบันนี้มันละเอียดเข้าไปบันนี้คิดคนอื่นบ่เห็นรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แต่เฉพาะเราเท่าทนั้นคนอื่นมองบ่เหนน็นนี่จัดอยู่ในโลกทุกขังอันนี้อางหน้าตาทั้งมัดมุ่นครับทุกอันนี้พัฒนาบ่ได้พัฒนาบ่ได้ตอนนี้ตอนทุก คนพอใจบ่พอใจในพัฒนาได้ตอนทุกการเคลื่อนไหวทุกขังอนิจจังอนัตตานี่พัฒนาบ่าได้เจอกันเลยเบื่อครับด้วยการเป็นคนด้วยการเป็นสัตว์เห็นสภาพสัตว์ตวและสภาพคนนี่มันมีการเคลื่อนไหวจมอยู่ในทุกขงังนู้ดพราะมเห็นอย่างนี้ผมก็เลยโอ้ยคนนี่มันอยากมาเกิดทําบุญแล้วยามาเกิดมันอยากมาทุกข์เหรอ ผมได้เหนสภาพเป็นนี้ครับที่ว่ามันโมตรงกับตําราก็ได้หรือว่ามันตรงกับตําราก็ได้ผมก็เลยอืผมกินเป็นอย่างัจริงจัพอดีมาหู้จากอาจารย์แล้วผมก็เลยรู้จักสมมุติสมมุตินี่มีมาไม่สามารถที่จะเอามาพนั น, นาได้ผมได้ยินอรูบาอาจารย์เราสู้ฝรังว่าในสมัยหนึ่ง หากผู้ใดเจ้าถาพิกษสูเดินไปในป่าคนละพระพิษเจ้าเลยเอามือล่วงลงกำเอาใบไม้แห้งเพียกคำมือเดียวได้ยกมือขึ้นมาถามพิกษสูจานวนไปกับพระพิเจ้านั้นหลายลูกคนลาพิษสูทั้งหลายเป็นใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือของเราต่ถาคกนี้เอามาเปเรียบเทียบกันเนะี่ยอันใดจะมากน้อยเท่ากัน ทิศสูที่จํา น, นวนไปกับพระพุทธเจ้า น, นลวงกฤติตรอพระพุทธเจ้าวาใบไม้ในปานมีมากครับแต่ใบไม้ในกํามือของาาพระกถาคตมือพระพุทธเจ้ามือพระองค์และสคิวานน้อยนิดเกินไปครับพระองค์กฤติตรอพวกทิกสูจํา น, นวนนั้นน่ะความรู้ที่เรารู้มานั้นมากห้าประมาณไม่ได้แต่ันแก้ถูกพใด กำลับที่จะเอามาสอนพวกเธอให้รูก้แก้ทุกได้นั้รแตศึกษาที่ตัวเองนี่เ่ยเลืนเข้าเป็นอารมณ์อวิปัสสนาอะไรต่นงๆครับที่ว่าตอนนี้ตัวรูปนามทุกขังอนิจจนาตาเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโมแมนนาะโมเมนต์นะครับขันอารมณ์ของวิปัสสนานะ่นแปลว่าเอารูปหรือเอาขันหา ย, ยกมาเป็นอารมณ์ตําลาก็เรียนอะไรกันอั น, นันแม่น้อยบอมเมนหลาย อันนี้แมน100่นลอยเปอเซอันนี้ครับลอยเปอเซ็นต์ผมรับรองได้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> <Okay. S 2> พอดีรู้เรื่องสมมุติแล้วคนตัวทําตัวคนดีทดําดีพูดตัวทําตัวคิดตัวมีหลายอย่างครับนี่เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นบา้าบุญนรกสวรรค์เป็นสมมุติพูดทั้งนั้นพระทรงองค์เนเป็นสมมุติพูดทั้งนั้นผมเข้าใจอย่างนั้นสมมุติ และกันี่บุคคลกับสมมตินี้่โยตสมมติจึมีมาเหมือนกับไปไม่ในปาผมจะรู้จักสมมติบัญญัติและสารมัดบัญญัติอัฐะบัญญัติภริยะบัญญัติสมุติบัญญัตินั้นคนรู้จักอยู่ในน้อยทำหูจักเรายสมมุติวัดนี่สมมุติแต่ไม่รู้จักก็บางคนนะว่าไม่ของจริงสมมุติถ้าส่งที่เขาบวชนี่กะว่าไม่ของจริงผมเองคูหนึ่งครับ โดนได้ว่าผู้อื่นเนะี่ยผมมีเงินเต็มออนครับเงินเหรียญเงินหันเงินหางเงินน้ําหนาเจ็ดสลึงที่สลึงค อ, ออมตดล่อผ้าผมนึกว่าอนั้นเป็นของจริงเพราะว่ามันได้บุญมาเพราะฉะนั้นยังโบกพอใจเท่านั้นก็ได้ครับคือคลองคำมาลอา่อผ้าคลองขมอีกสุดถึงน้กัยังโบกพอใจกันยังว่าโยนใส่หับวบุญหรือโู้จักบุญครับมันเป็นเพียงสมมุติมันเป็นวัตถุ อันนั้นครับโู้จักบุญที่ว่าเอาบุญก็เลยบุญซือบุญจักคือผมอายุ46ปีผมจักบุญถูกเลยครับตั้งแต่อายุรอดทองแม่ผมมาถึงอายุ40 46ปีนี้ผมโู้จักบุญโู้จักมาบโบ้จักเรื่องครับคือมานําพอนำแม่คือมานซื้ออันนั้นครับบัดนี้เมื่อได้จักสมมุติแล้วครับบทสงสัย เรื่องสมมุติเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องบวชเรื่องศิษเรื่องพระสงฆ์องค์เนี้ผม บ, บอกสงสัยเห็นแทครั บ, บงบอกสงสัยจริงๆเมื่อรู้อันนี้แล้วถ้ารู้บาปรู้บุญโลดครับผมรู้อันนี้จริงๆบาปคือโง่วัชรภวั น, าวานบาปคือมืดบาปคือบโรู้จักบาปคืออนันโรู้จักไม่ให้เงกากระติกกระติกทุบไปในบาปนั่น กว่าโมฆะเขาอโมฆะนี่ก็แปลว่าบได้ครับทางไซโบไดกบาปน่อันเดียวันนี้ครับผมเข้าใจกันโมฆะบุรุษโมฆะสตรีกันถ้าเป็นผู้หญิงควรเอื้อนโมฆะสตรีถ้าหาเป็นผู้ชายควรเอื้นโมฆะบุรุษอันโมฆะนี่แปลว่าไซโบไดเราเคยได้ยินว่าโมฆะบุรุษกำพีเปาไบรานเปาเนี่ยกูบาเคยเล่าสู่กันอันเฮาเฮ็ดเฮาทำเนี่ยถ้า เข็มโบู้ทำโบสู้แล้วเป็นโมคะเป็นธนวัตใจโบได้เลยครับก่บอนทีจ่จะใจได้นั่นคือการเจริญสติเจริญปัญญาเรียกว่าเจริญนิพพานานี่แหละใจได้จริงๆครับคงเลยรู้เรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยบบาปคือโมบาปคือมือบาปคือโบโุหุจักอันบุหุจักเขาเกิดโมคะทั้งนั้นอันบูหุจักเขาเอิดโมคะทั้งนั้น หน้ากลัวน่าวาดเกี่ยวหน้าตกใจที่พระพุทธเจ้าว่าโมฆะบุรุนี่ครับหน้าตกใจน่าสลดใจอยู่จริงๆครับผมรู้เรื่องนี้อันนี้แปลว่าบุตรต้องกับตำลาก็ได้บุตรต้องกับตำลาก็ได้เพราะผมมั่นใจว่าปฏิบัติอย่างพอดีผมรู้อย่างนี้ผมโลดในมดครับผมบอย่านที บวยยานใส้หนังตังฟันงัวธนูกูโโหน้านยโอ้ยสุบวยย่านแท้ๆครับแต่เพ่านั้นผมย่านย่านสีผมคิดเตียบได้อย่างหนึ่งครับหมามันลูกเคยกลัวพีครับหมาลูกเคยกลัวพีบ้านผมเอินตายเฮวป่าเฮลันออกคนตายไปสั่งไปจูเดเอินตายเฮลป่าถีล่อหรือป่าตาห ม, มามันก็ไปกิน กินคนตายกินเนื้อกินอย่างไดสบาดคนทําไมวิญญานเนี่ยผมเข้าใจอย่างดีเอ้คนนี้ค น, นว่าจิตใจสูงมันตั้มโกมาแบบว้าแต่โกมามามันบม่เคยย่านผีแล้วคนุนยังไปย่านผีแบบเนี่ยเอ้สแสดงมาเรามีโงโกมาแบบแล้วคาว่าบผมเลยว่าสแสดงเจ้าของโงโกมาบุได้ว่าให้ผู้อื่นได้ครับผมรู้จักคุกจริงๆข่าวนั้นผมติดบุรีครับ สู้ยากระป๋องไปซื้อเอาเวียนจันมาสู้อันนี้ผมการแสดงว่าคนโ ง, ง่ผมวู้ดจักทุขหายใจเข้าๆนี่มันเกลือบตายอยู่แล้วเมือ่อยว่าันจนทุกเหนื่อยจนจิเข้าลงไปที่หูคอนี่มีฟองหูหูนึ้นเป็นลมออกหูนึ้มันเข้าไปไหนพมเห็นในใจแต่ผมไ่ได้เห็นด้วยตาหรอกใจมันสามาที่จุดมองลงไปทะลุไปได้ครับเมื่ออื่นไม่เข้าลงไปแล้วหลมมันออกทางนี้ บันนี้ห่าเกินลงลงไปงนั้นมันมันไปทำมูลมันออกมาสิผมเข้าใจตรงนั้นบอกว่าเมตตาทิพได้ครับอันนี้บอกว่าเมตตาทิพย์คือมุขพันวาตายและกระเกือดสาด น, น, นั่งตาดนี้บ่เหนี่ยนอ่างนั้นผมรู้จักด้วยปัญญาอันนี้ครับด้วยสติด้วยปัญญาสามารถเจาะลงไปทีื่อยนครับบอกว่าเมตเจาะลงไปคือคุณหน้าบาดาลไม่บว่าเม่นนั้นครับมันสามารถมองลงไปอย่างนั้นเกินน้ําลายลงไป มันมีภูหลงก็ขังนึงนันบาอย่างลงไปได้ตันนี้เราหายใจเข้าไปที่มันออกมาถังนี้มันเป็นคนละภูผมเข้าใจอย่ากันทางวิทยาศาสตรข้าเจ้ามีเครืองแอ็กซเลนโน้มไปเอ็กซเลนข้าเจ้าเอามาเว้าวสุกันสั่งหม้อจากติดคนผมเกิดปัญหาขึ้นหนึ่งข้าเจ้าคนนึงอันนี้กันดูว่าจะอันนี้มันเส้นอันนี้มันเอ็นอันนี้มันปอดากันข้าเจ้าปอดผมกันตะโพตี้กันมันมองว่เห็นได้ครับอันนี้ ขาจะออกเครื่องอ็กซรย์ไปท่ายออกไปข้าจะเห็นโอ้วิทยุเออวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถมองเห็นด้วยตาสรื่องปัญญานี่มองเห็นด้วยปัญญาได้ทั้งคำเรื่องจิตเรื่องใจวิทยาศาสตร์ไปสายเอ็กเรย์บไดาเอาจิตเอาใจเอาวิญญาณไปพิจารณาบไดาครับเอาจิตเอาความคิดไปพิจารณาบไดายปัจจุบเรื่องสติปัญญาอันนี้มันสามารถที่จะสู้เรื่องสติปัญญาเรื่องความคิดได้ครับ จากมันผมเลิกได้เด็ดขาดรับรองลอยเปอรเซ็นต์ทีเดียวครับเดิงผมเลิกผุกได้ผมบปไหวาผ้ผีตั้งแต่มือนั้นมาเทวดาผมก็บอไหว้ครับผมบไห ว, ว้ไถ่สมุดใครว่าในโลกนี่ผมไหวา้กันทั้งมุดรับไหว้อย่างสำรวจพ่อมาไหวา้พราทุลินี่์ผมเขาลบตัวเองเขาลบว่าเจ้าของทำดีแล้วแบบนี้ใครคิว่าทําชัวกับดำซางอะไรเรื่องสมมุบนะ ผมก็เลยว่ายกมือขึ้นกับเขารบตัวเองว่าเห็นว่าใจตัวเองนี่ดีแล้วอย่งยกมือขึ้นไหวมูได้ก็เด่นอนโนตัสสานั้นว่ากันหน่โมตัสสัสนะถ้ว่โตแตว่าขอนอบน้อมแด่พระพวกมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกพระลหัสโตแต่พว้ไก่จากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัจถ้าพป็เจ้าจักรลูเองโดยชอบก็่นคนลูจริงคนเขาลบตัวของคนจริง เขายกมือไหวเนี่ยเขาใจเขาดีแล้วครับวันนี้เป็นการเขารบคนทั้งโลกเลยครับเนี่ยไก่จะกรีได้กไก่จักร้าสุดไที่ตรีเขาเขายกมือไว้อยู่แล้วที่กระจาเป็นแล้วครับคนเมื่อวเขาจะาิตรีที่ฆ่าข้าเจ้าจิดาเขาจะสมมติเนี่ยครับเรื่องความตายนร่ผมจริงองบกัวตายบกัวผีบกัวเทวดาพี่มันวุฒิปุกเงินอยู่ได้บพราะพอใจ เทวดามันดีเให้นาเป็นบอสบนให้เป็ี่ยนซ้ำบุบบนอนเป็นบ่สตั้งเสื่อตั้งผาเป็นบุบบเป็ี่ยนซ้ำแงะหมามันจึ้งบุกลัวผีบุบกลัวเทวดาคนนีนเฮตันจะกลัวผีกลัวเทวดาครับแบบนี้ลองคิดดูไหมครับโน้ตทันคือว่าไปสอบไทยจักน้อยเลยครับเรียนปริญญาเป็นบอครับได้ปริญญาได้ปริญญาหลายคนเป็นอยู่นี่ครับได้บอครับมีหลายองค์บ่บได้ปริญญาครับ ปริยาตีปริยาโถได้หลายคนเป็นไหครับใช่พระคุณครับเน่เยแล้วกันยังบกเข้าใจยังยานอยู่ใ น, นยานนี้ประโยชน์สิงนี้มันให่อย่างซอยเหาเหียนหนังเสือเทวดามาเหยียนซอยบอ่บอบ่อเหยีเนเอาเองบ่ต้องไปเสื้อเลือกงานงานดีบ่อเสื้อจะแทบผมะตั้งแต่มือ น, นันผมโบเสื้ออันนี้เนี่เป็นอารมณ์อวิปัสนาเบื้อนต้นที่สุดเป็นปือ้อเป็นกระที่มันนครับนี่ที่ผมบอให้ฟังมือนี้เนะี่ะ ก็จากนั้นผมเป็นนิพพานุตอนเป็นนิพพานุนี่ผมบูรุผมแสดงทําให้เทวดาฟังเนี่ยมันรููนอกตัวแล้วมันออกจากตัวเลยได้ยั่ครับมันไะติดผมรูอะไรแบบ น, นี้แสดงทําให้ทีฟังแสดงทําให้คนมีปัญญาฟังแบบ น, นี้เห่าอะไรมันลืมตัวเมือ่อไม่รูรุจากตัวอลไรแบบ น, นี้อันนี้คนละคนลืมตัวคนลืมตัวนี่คนว่าเอื้องผปรรมาน คนประมาณนี้ถึงมีชีวิตอยู่กับเมือกับคนตายแล้วอ่ะนะมันเนา่ามันเหม็นมันสามาสก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างพอตอนแรงมาครับพอบันนี้นะะผมอาบน้ําและผมมาเดินช ม, มคมคล้ายๆคุณคิดมันคิดมันมดประโยคมันครับผมว่าเห็นคุนคิ ด, คดถึงเข้าไปในความคิดคิดรู้อันนั้นคิดรู้อันนี้เดินไปวุ่นแรงมานะ่คลายๆคุณมีคนมาถัก มาซุกหรือมาโยวันก็นได้ครับู่ค้าง น, นี่ครับยมันนี่อย่างมาตํำมือมาตํากับมาชนอันเดียวไปเนี่ยครับมาตําเอามาตนเอามาถักมาดันเอาคําเดียวครับท่าตามันสมนุดครับผมเลยหาหาปเหตุครั้งแรกที่สุดครั้งที่สองนี้่ดูเส้นอย่างโบนเอนอนครั้งที่สามนี้ โอ้มันคิดมาจากที่นี้สินผูู้ที่คอยมองมึงยังอยู่ที่นี้บัานนี้เหตุคือแมวกับหนูเหมือนแมวนี่มันเห็นหนูแต่มันกูไม่ได้เบ่งหนูมันเห็นเซยมันทรงหลักตาอยู่ว่าแต่แมวเซยแต่แล้วหนูมันเพอโตครับหนูต้อกระโดดมาแมวมันจับย่างแรงตึ๊บหนูนี่กระดิกตัวก็ได้เลยครับ ตอนนี้ผมก็เย้ยเดินไปเดินมาบ่สนใจกับผมคิดเด็กเบิ้งเล่นเล่นเหมือนกันทำเล่นเล่นมันคิดมา่ปุ๊บรู้จักซับมันคิดมาปุ๊บรู้จักซับผมก็เลยรู้จักโอ้สมุทามันอยู่ทีนี้ว่ากันอันนี้แหละเป็นแท่นดินนะท่านผมเข้าใจวนะัาถผกหมายถึงแท่นดิน วัตถุหมายถึงต้นไม้มาวัตถุเนี่ยมันมากที่สุดหมายถึงสิ่งของที่มองเห็นด้วยตาก็ได้ษมองบ่เห็นด้วยตาก็ได้วัตถุนะครับปารมามะหมายถึงของจริงของแทพร่เปี่ยนแปลงจะมีพระพุทธเจ้าก็มียวงท่านโบมีพระพุทธเจ้าก็เป็นท่านเนื้อสมมุดด้วย่เป็นปราตะอาการนะท่นหมายถึงมีการเปี่ยงแปลงการเคลื่อนไหวอย่างต่นงๆผมรู้จักจิตใจผมคิดอย่างนี้ครับตอนนี้แหละผมรู้จัก พอดี๋ยผมเป็นอย่างต่างแล้วผมรู้จักวัตถุรู้จกักปารมารู้จกาาัจกอาการกะเละปลากดขึ้นมาในใจิตใจเห็นแจ้งรู้จริงโทสะเป็นหลักขณะนี้โมหะเป็นหลักขณะนี้โลภะเป็นหลักขณะนี้เมื่อบ่มีโทสะบ่มีโมหะบ่มีโลภะแล้วเป็นอย่าง ก็เลยรู้จักเวทนาขึ้นมาเวทนาบ่ามีตนบ่มีตัวได้ครับเพราะว่าเวทนาสวยอารมณ์กางเคลื่อนไหวอันนี้เขาเรียกวทนานะแมีนอยู่ครับแมีนแค่หักบ่มเมีนคำที่พวกเราเวทนาหมายถึงบ่มีตัวอะเวทนาสัญญาสังขารวิญญานเป็นนามรูปบ่มีรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารดิญญานอันนี้ก็อึงขันห้าขันห้านั้นมันเป็นรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญานเฮียนอันนี้ครับ ตอนผมรู้นั้นมันไปได้รู้แบบนี้ ร, รูปเลตนาสัญญาสังขารยังไงรูปนี้มัต้องมาวา่าเพามันจบแล้วมันจบเรื่สมมติเรื่องเลิกมากภูบรีเรื่องไหว้ถีไหว้ส่างกูร์เทวดามูนีม้มันหมดแล้วครับหมด แ, แลรู้กีเรื่องรูปนามรูปอันนี้เนี่แปลรูปเปลือกมาเห็นควาคิดเนี่ยรูปหม อ, อกมันเข้าไปในเนือไม้แล้วครับผม เนเวทนาตนาัญญาสังขารวิญญาณเราต้องมีทุกและแบบเนี้ยเพราะว่าโทสะโมหะโลภมันมีอยู่วะท่านในขณะมันมีนั่นเป็นยังไงท่ะนเราหลงเราไม่ได้เบิ้งจิตเบิ้งใจไม่ได้เบิ้งชีวิตเหาผมเข้าใจอาจารย์ในขณะนั้นผมรูจริงสิ่งขน้ําหนักผมร้อยกิโลเบาขึ้นหกสิบกิโลยันน้อยที่สุดอาจรย์ผมทําลายสิ่งหลงผิดมือได้แจ้งขึ้นมาด้วย คำว่าแจ้งนี่เหมือนกับต่างวันนี่บริษัทกับเมนครับแจ้งนี่เหมือนกับมีไฟสา ย, ยบุกกระเบนคำว่าแจ้งนี่หมายถือว่าเห็นแล้วต้องใสัแล้วครับคำว่าแจ้งรู้แจ้งรู้จริงนี่จึ่งแท้ๆครับเรื่งนี้ครับเลยเบาแทะคันห้าคัว เ, เต็มตัวผมแนวผมเบาแปดสิบกิโลครับยังเหลือยี่สิบกิโลที่มันหนักที่มันํายังสงสัยดิวมี น, น้อยที่สุด เทพองค์ได้ไปได้เที่ยวพร้อมกับอย่างทั้งหมดว่าจะเที่ยวพร้อมลุ้นทุกได้ับบุญนั้นมันเป็นเรงซื้บุญอันนี้เระบุญครับบุญนั้นผู้ใดมาเบื้องจิตเบื้องใจตัวเองเห็นจิตเห็นใจตัวเองมันนึกมันคิดอันนั้นเรื่บุญครับผู้ใดอย่งว่าเห็นจิตว่าเห็นใจตัวนั้นถ้าอย่างว่ททำมีบุญเถื่อนกาแม่นบุญยุห์บุญโมหะโมหะบุรุษโมหะสตีดอย่งในออกนิพพ์กับคนเอื่นผู้หญิงหรือโดนสตีอยั่สตีเป็นผู้หญิง เมื่อเห็นจิตเห็นใจตัวคนนั้นเอาะโมฆะสติอยู่ผู้สายได้คัน บ, บ่เห็นจิตเห็นใจตัตวกับเอานีโมฆะบุรุษผู้สายได้เป็นบุรุษครับแมนบอกแมนครับเนี่ยบุรุษคุณผู้สายเนาะสติกบับอะไรแมนสติกบับผู้หญิงแมนบอกก็เป็นเป็นโมฆะเหือกันเป็นอะไรกันบันนี้ผมเดินไปเดินมาผมเพื่ความคิดขึ้นมาจุดหมา ม, มาจากในสมอง รู้จักกิเลสรู้จักปัญหา ร, รู้จักมุปาทานรู้จักกรรมซี่คอหนีซึ่นครับความยึดมัน่นคือมันม่นมกระจางไปโลดครับจายออกไปคล้ายคล้ายคืนน้ําแดงครับสมมุติน้ําแดงน้ําแดงไม่มีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นแล้วกระเต็นกระป๋งหนึ่งครับเอาไปทุกข้ า, ขาวขาวได้แดงปึ๊บเอิดมดเนื้อ ม, มัอนข้าวขาวมีแดงมดครับนี่คนลืมทวมนเป็นอะไรครับ บัด น, นี้น้ำแดงคุณภาพบม่มีแต่ปริมาณมันเป็นกระป๋องอยู่คือเกา่าแห้ว่านํายอมไม้ไว้ทำทานกันได้บ้านผมในว่านํายอมไม้อเอาไปยอมผ้าขาวโบกินปริมาณมันเป็นกระป๋องกระทั้งจ้าเป็นคุณภาพบ่มีอเอาไปยอมอเอาไปยอมผ้าขาวในโบกินครับย่า ง, งกินกันน้อยที่สุดสุดเปรียกไปน้าดําน้ำซิวน้ำหยางตะกันมัดคุณภาพมันซวมแล้วฉันบาดเนี้ ยกคุณภาพเพื่อนแล้วผมก็เลยวันเอื้อมาอยู่เหนือทุกว่าทันรับของมาอยู่เหนือทุกเหนือซึ่งเหล่านี้แต่ว่าผู้มีจิตใจสูงคำว่าใจสูงหาว้าวซื่อๆได้ว่ามนุษย์ใจสูงที่ใจสูงตายไหมอย่างเครียดยุบบางคนเราขณะมนุษย์ใจตั้มาเห็นมนุษย์ใจสูงใจสูงไม่หมายถึงว่ามันค่วมโกตรเกิดขึ้นโมได้ค่วมโลภเกิดขึ้นโมได้ค่วมโล่งเกิดขึ้นโมได้ ความยึดมั่นคือมั่นกิเลสตัณหาอุปทานกันี้เกิดขึ้นว่าใดเลยครับยังพูกต้องว่าเป็นผู้มีกิใจสูงนะครับมันเป็นาายังันตอนนี้เลยจบพักมันผมนอนครับมันเป็นปีตีตอนคนรู้ปฏิบัตินิพพานาเบื้องแรกนะให้จำไว้ให้มันดีผู้ใดทุกคนเนี่ยพอดีมันรู้ว่า น, นั้นมีอารมณ์ให้มาจักรลูหนามเลลูกนี่ อันลูกกับนามัติกายูนี้อยากาให้มันลืมจากเกลื่อนรูปนาพอดีลืมรูปนามอันนี้แล้วมันจะลืมลืมตัวมันจะไปติดความคิดอันเดียวโื่มมันไปติดควคิดอันเดียวควาคิดมันก็มีตนบัมีโตแล้วถามัยตัวได้มันก็จลืมตัวไปเนี่ยเป็นเร่องวารีปัสนมันก็เลยรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากวหรปัตตนุไปแล้วมันก็เป็นจิตญาณมันก็เป็นวิปลาสอันจิตญาแต่ว่ารู้ไปทั่วๆไปเลยหาจุดจุดวัได รู้ไปจับจุดบอดได้แก้ทุกตัวเองว่าเป็นเนย้ออ้นกิตยายเป็นตำลาอาที่มีโบมีนขบวน่างแล้วครับผมก็เลยมานอนบนันนอนไปนอนกันลับหลับแลบ้วบันิตรื่นพอดีไต้ไปลางหน้าแล้วก็ไส้ไปมาเดินจนกมครับมีสะขาบตัวนึงแลนทามหน้าผมไปตัวใหญ่เลยครับ ผมไ ต, ตเเส้นไข่ไวหวไตเส้นไข่ไหวต้นนั้นผมมีผมเบิเดินจงกรมกับย่างกังนเดียวกันนั่นแหละครับมาย่างไปย่งางมาก็นได้ว่าเดินจงกรมก็ได้บถถ่ผิดกันผมเราซื่อๆมันสมมุติย่งางหลบไปหลบมาพอได้เห็นตะขาดแล้วผมก็เลยออกไปไ ป, ไปตามตัวตะขาบบ่เห็นเมื่อบ่เห็นตัวตะขาดแล้ววันนี้ผมก็เลย เอาใจมาไว้ของเก่กาปุกัญญาไปยางมามันเลยปรากฏขึ้นภายในจิตใจตัวอิจิตเธอหนึ่งว่าสิ่งกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกาจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดโอ้อันคู๋ว่าสิ่นสมาธิปัญญาอันสิ่งห้าสิ่งแปดสิ่งสิบสิ่งสองร้อยยี่สิบสิ่งสามรอยสิ่งทีู่น 6, ีน้นะมันก็กําจัดกิเลสอันนี้โบได้ด้ อันว่าอธทิสินสิกขาอธิกิตาสิกขาที่ปัญญาสิกขาอันเฮียนนะคะแมนอยู่มหาบรมแมนแม่นแท้ๆมันบ่นได้สินขันขันห้าเฮานี้มีสินขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปว่ายัางจะมันถามตัวเองครับขัขนแปว่ารองรับขันไปว่าต่อสู้ขันไปว่าขันดีที่สุดขันเราตามภาษาบ้านผมนะครับ ฟืมที่ที่ไม่ออกกี่ข้อจักไปตั้มผ้ามงงามในบ่ไม่ออกแน่นบ่ท่นฟืนจานตั้มผ้าบงงามในบ่เนอคันแปล ว, ว่าที่บระเนี๋ยวขันขันแท็กตักมาำโมได้ถินนะฮะขันคันที่แล้วคันดีเนี้ยตักน้ำได้กิ่นตักเข้าใสบานให้ทานกับไดเอาไปตักน้ำมากินก็นได้เอาไปสู้อ่อสู้แกงสู้พ่นสู้ลาบมากินก็นได้ว่าท่านขันเนี่ยคันมันขัดดีนะ ขั น, นขับดีนั่งใส่บอดายกัโอ้ขันนี่หมายถึงต่อสู้นี่เด้อว่าสันคือเข้าใจว่าโอ้กรรจัด ก, กิเลสอย่างนี้คือมันทำลายโทสะโมหะโลภะเลวแล้วมันจึงรู้จักสิดอันนี้มันทำลายกิเลสตัณหาอุปทานทำมาแล้วมันยังรู้จักสิดอันนี้สิดอันนี้ก็เลยปราปกบขึ้นหู้จักว่าตัวมีสิ่งสิ่งนั้นที่ว่าเป็นปกติ เมื่อผิดปกตินิดนงดึงเราผิดติมโน้มาเดียวผมก็เลยรู้จักอันที่ผมไปนั่งสมอ